ครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องความโกรธความแค้นวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องความอิจฉาลิษยาความอิชฉาลิษยาเนี่ยถ้าเกิดจากใครนะคนนั้นก็จะอยู่ร้อนอนทุกข์ไม่มีความสุขแล้วความอิจฉาเนี่ยก็ไม่ได้ครอบงำเฉพาะคนที่โง่เท่านั้นคนฉลาดความอิชฉาก็ครอบงำได้สมัยกรุงศรีริชยาครั้งหนึ่งพระเจ้าเสือได้เสด็จ เดินทางมาทางสระ บ, บุรีเพื่อจะมานรำศการพระพุทธบาทโดยสายทางเรือขณะที่เรือล่องน้ํามาเนี่ยมหาเล็กก็นั่งหลับสบายฝีพายเรือเนี่ยก็พายเรือแบบเงื่อไหล ย, ย, ย้อยเลยฝีพายรู้สึกอิจฉามหาเล็กพราสบายเ อ, อาแต่หลับจึงแบบเออคิดออกบเบาอคนเหมือนกันนี่หว่าเรือก็แล่นต่อไปสักพักหนึ่งฝีพายก็ เออเสียงดังขึ้กว่าเดิมอ่ะคนเหมือนกันที่ว่าพระเจ้าเสือพระ อ, องค์ก็รู้ว่าฝีพายคิดอะไรค่าถึงที่พักชั่วคราวระหว่างทางพระเจ้าเสือก็นิโกบายที่จะสั่งสอนฝีพายได้จึงบอกให้หมาเล็กเนี่ยให้ไปที่อื่นแล้วก็เรียกฝีพายมาบอกเองลงไปดูที่ใ้ถุนนี่ว่ามีอะไรเสียงมา ด, ดังกุกกะกุกกฝีพายกรมุดลงไปใ้ถุนขึ้นมาก็บอกหมาออกลูกพระเจ้าค่ะ เลี้ยสือก็ถามต่ออีกกี่ตัวลงไปดูใหม่ฝีพายกับมุดก็ไปครั้งที่สองขึ้นมากตอบว่าสี่ตัวพระเจ้าค่ะเล้ยเสือก็ถามต่ออีกตัวผู้ตัวเมียฝีพายกับมุดลงไปครั้งที่สามขึ้นมากตอบว่าตัวผู้สองตัวเมียสองพระเจ้าค่ะอ้าวแล้วลูกหมาสีอะไรฝีพายมุดก็ไปครั้งที่สี่ขึ้นมากตอบว่าสีดำสองสีน้ำตาลสองพระเจ้าค่ะ พร้าเสือจึงถามต่ออีกแล้วแม่หมาสีอะไรฝีพายบุตรเข้าไปครั้งที่ห้าขึ้นมากตอบว่าแม่หมาสีนวลพระเจ้าค่ะเจ้ า, จาเสือก็ให้คนไปตามาเล็กมาแล้วก็เอิดว่าเสียงมีเสียงกุกกักเองลงมาดูที่ข้างล่างมีอะไรมาเล็กกรบุตรลงไปขึ้นมาก็ตอบว่าข้างล่างเนี่ยมีหมาออกลูกลูกหมาสี่ตัว ตัวผู้สองตัวเมียสองแม่หมาสีวรวนพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือจึงถามสีพายว่าไหนเอ็งบอกว่าคนเหมือนกันแต่ทำไมเอ็งมุดลงใบข้างล่างตัองห้าครั้งหมาเล็กเนี่ยมันมุดไปครั้งเดียวมันตอบได้หมดเลยคนเหมือนกันแต่ปัญญาไม่เหมือนกันแล้วก็ลงโทษสีพายให้เข็ดลาบ อันนี้ก็เป็นควาบิชาของฝีพายแหละถ้าเกิดพายเรือไปไม่อิจฉาขนาดเล็กเนี่ยก็จะไม่ให้เครียดไม่ค่อยทุกขหรอกพายด้วยความสุขแต่ควาบิชาเนี่ยบางทีก็ครอบงาำผู้มปัญญานะอย่างสมัยสาม ก, ก๊กที่เมืองกลางตังก็มีปาดอยู่คนหนึ่งเป็นสิทธิ์ลูกสํานัก์เดียวกับขงเบ้งอะ่ะชื่อว่าบางทองคือของเบ้งกับบางทองเนี่ยจะเป็นสิทธิ์ของสมาร์ทเทคโช แต่อยู่คนละเมืองบางทองเป็นคนที่ฉลาดมากแต่มีโหเฮงหน้าตาไม่ค่อยดีคือหน้าตาอัปรลักแล้วแต่งตัวก็ปอนปอนดูไม่น่าศรัทธาเลื่อมสคนเห็นก็ไม่คิดว่าจะมีปัญญาคนที่มีความรู้มากก็อยากจะให้ความรู้เป็นประโยชน์นะจึงต้องหาเจ้านายจึงไปหาซุนกวนเพื่อจะรับราชการด้วยซุนกวนก็ได้ยินชื่อบางทองมานานเว่าะเป็นผู้มีปัญญามาก ก็ให้เข้าพบแต่ขันเห็นหน้าปุ๊บก็ไม่ชอบใจเลยเพราะรู้สึกว่าไม่ถูกชะตาแล้วก็ถามบางทองว่ามีปัญญาระดับไหนถ้าเทียบกวับจิวี่บางพรอกบอกเปรียบกันไม่ได้ข้านี่มีความรู้มีปัญญาลุ่มลึกและกว้างขวางกว่าจิวี่มากซุนกวนัวไดจินดังนั้นรู้สึกไม่ชอบใจเพราะว่าตัวเองเนี่ยนับถือจิวีมากจึงไม่รับให้ทางานด้วย แล้วก็ไปอิเศษไปบางทองพอรู้ว่าจิวยี้ไม่รับเขต้องหาหนายใหม่ก็มีโลโซกนีแหละให้จดหมายและแนะนําให้ไปหาเล่าปี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยบางทองก็ได้จดหมายจากคงเบ้งอยู่แล้วเพราะว่าเจอกันที่กลางตังตอนที่ขงเบ้งมาร้องไห้อะไรศพของจิวยี่้เจอกันแล้วรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคงเบ้งไงว่าแก้งร้องไห้แสงละคร ก็ทําให้ขงเบ้งตกปัจัยว่ารู้ทันความคิดตัวเองได้ไงที่เสียแท่งถ้าบางทองเปิดเผยไปแย่เลยแต่ของเบ้งเป็นคนที่ไม่อิจฉานะอยากให้บางทองมาร่วมงานกับตนอยู่ในทีมของเล่าปีจึงฝากจดหมายให้ให้ยืนให้เล่าปีเพื่อรับเขาทํางานบางทองก็เดินทางไปหาเล่าปีแต่ช่วงนั้นขงเบ้งไม่อยู่แล้วด้วยความสละงก็ไม่ยอมยืนจดหมายทั้งโลซกทั้งของของเบ้งให้กับเล่าปี แล้วปีนได้ยินชื่อเสียงของบางทองมานานนะแต่พอเห็นหน้าปุ๊บก็เหมือนเดิมเหมือนซุนกวนแหละไม่ชอบหน้าเลยเพราะว่าโงเ่เฮงก็ไม่ดีบุคลิกลักษณะแต่งตัวก็ไม่ได้ไม่น่าเลื่อมใสแต่ก็ไม่ถึงกับไปเสดรายการมาร่วมงานนะแต่ว่าไม่เชื่อถือไงก็ให้ไปเป็นแหนมเพอเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งชื่อเมืองลองเอียงพราะที่นั่นเป็นเมืองเล็กต้องการให้ดูความสามารถ บางทองก็ไปเป็นแหนมเพอที่เมืองนี่แหละผ่านไปประมาณสามเดือนบางทองก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเอาแต่กินเหล้าแล้วก็นอนความทราบถึงเล้าปีมีคนไปฟ้องก็ให้เนี่ยให้เตียวหุยเนี่ยไปตรวจสอบแต่เตี้ยวหุยเป็นคนที่วู้วามก็เลยให้สุนเขียนที่เป็นกุญซื้อตามไปด้วยไปดูที่ว่าทาไมบางทองถึงขี้เกียจไม่ทำงานทากาเลยเลยกินเหล้า ไปถึงเตียวหุยไปถึงก็วอยวายตามสไตล์แล้วจะปลดบางทองด้วยหาว่าทำงานเสียราชาการไม่เอาใจใส่เสียดายที่เป็นคนดีมีชื่อเสียงที่เราปีไว้ใจบางทองเขาตอบว่าข้าไม่ได้ทำอะไรที่เสียราชาการเลยแล้วก็แสดงความสามารถเนี่ยให้เตียวหุยดู เขาเรียกเปิดสายก็ได้เพราะว่าในอำเภอจะต้องตัดสินคดีต่างๆเลยก็เลยเอางานที่ค้างทั้งหมดนะมาจัดการบางทองฉลาดมากเขียนหนังสือเร็วแล้วก็คิดเร็วมากตัดสินคดีต่างๆด้วยความแม่นยำถูกต้องตามกฎหมายคดีแล้วคดีเล่าแป๊บเดียวก็จบไม่กี่ชั่วโมงจบหมดเลยคดีงานก็ไม่มีค้างเสร็จแล้วก็เอ่ยถามเตียวหุยว่าไหนท่านบอกว่าข้าทํางานเสียเตียวหุยเห็นก็ตะลึงนะเพราะไม่เคยเห็นคนเก่งขนาด น, นี้มาก่อน ก็เลยขอเข้ามาบางทองก็ให้จดหมายที่โลซกกับขงเบ้งฝากไว้ให้ดูตอนนี้แหละเจ้าหุยก็นำฟาร์มเนี่ยไปบอกเล่าปีเล่าปีก็เสียใจนะที่ว่ามองข้ามคนผิดคือมองคนแบบผิวเผินจึงเรียกเข้ามาแล้วขอเข้ามาจากนั้นก็รับราชการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งใหญ่โตเป็นผู้ช่วยขงเบ้งแต่บางทองเป็นคนที่ฉลาดจริงแต่ก็เป็นคนที่ขี้ฉา เพตอนหลังเนี่ยอิฉาของเบ้งนะกลัวของเบ้งเนี่ยแย่งความเพียรมชอบเวลาทํางานบางอย่างก็ต้องรับอาส า, าไปทําเองเพื่อสร้างความเพียรมชอบของเบ้งเนี่ยเห็นดวงดาวดวงหนึ่งตกก็รู้ว่าจะมีแม่ทัพในกองเสียชีวิตขณะที่ไปบุกยึดเมืองเสฉวนคือเล่าปี่กับทางบางทองเนี่ยนำทัพไปเองนะแล้ ว, แ ล, วแล้วของเบ้งก็เฝ้าเมืองเกียงจิว๋วกับขุนอู แล้วก็ส่งข่าวไปให้บอกว่าแม่ทับเสียชีวิตให้รีบให้รีบกลับเล้วปีก็เชื่อจะยกทัพกลับแต่บางทองไม่ยอมมองว่าขงเบ้งเนี่ยอิจฉาจะแย่งความดียมชอบจึงวางแผนเนี่ยที่จะยึดเสฉวนต่อสุดท้ายบางทองก็โดนลูกธนูยิงตายที่เขาแห่งหนึ่งจบชีวิตขณะที่อายุสามหปีอันนี้ก็เพราะความอิจฉานิศยาทั้งที่มีปัญญามากต่างกับขงเบ้ง ที่ใจกว้างต้องการให้มีคนดีมีความสามารถมาอยู่ร่วมกันจะทําให้งานส่วนรวมเนี่ยก้าวหน้าและประสบความสำเร็จเพราะเมื่อก่อนที่เราปี่ไปหาสุมาเด็กโชเนี่ยสุมาเด็กโชก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราปี่นะได้กุญซือระดับฮหลงหรือองซูคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถกอบกู้แผ่นดินได้มาตอนหลังเราปี่ก็ได้2คนเลยเพราะว่าฮกหลงคือหงเบ้งองซูก็คือบางทองแล้วก็สามารถ มีแผ่นดินแยกเป็นสามเนี่ยก็คือตั้งกกเองขึ้นมาได้จากเมื่อก่อนไม่มีอะไรต้องเลีล้ยอนไปอาศัยเมืองนู้นเมืองนี้อยู่แต่แล้วความอิจฉานี่แหละก็ทำให้งานเสียหายทั้งตัวเองและส่วนรวมเรื่องสามกกกระจบแค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้าเล่ามากเดี๋ยวกลับมาไม่ได้เพราะมันกว้างใหญ่เหลือเกินก็เฉพาะจะพูดเฉพาะจุดของความอิจฉาลิษยาเท่านั้นมีหลวงตาอยู่ท่านหนึ่งเป็นพระนักเทศ เวลาเทศก็บอกให้คนเนี่ยอย่าดูบุหรีให้ปล่อยวางสอนสี่งดีให้กับญาติโยมแต่ตัวเองก็ยังดูบุหรี่เวลาเทศเวลาพูดธรรมายมฟังก็พ่นบุหรีฝันกระมงและที่วัดนั้นเนี่ยก็มีพระนักเทศหลายคนคือเจ้าวาดเนี่ยให้เวีรกันเทศตามคิวแต่ละวันก็มีเนีนอยู่คนหนึ่งในคนนี้เป็นคนเป็นเรนที่เรียนเรียนมหา แล้วก็มีความรู้ทางปริยัติมากเวลาเวลาเทศก็ไม่ค่อยพูดภาษาบาลีพูดภาษาง่ายๆให้ชาวบ้านและญาติโยมฟังเพราะชาวบ้านจะโยมฟังภาษาที่ง่ายและความหมายที่ลุ่มลึกก็ชอบใจเพราะให้แง่คิดต่างๆได้ดีครั้งที่เด น, นพู้ธรรมะเนี่ยโยมก็ยอฟังกันแน่นหมดเลยหลวงตาก็อิจฉาเนนเพราะหลวงตาพูธมะโยมไม่ค่อยมาฟังเท่าไหร่วันหนึ่งหลวงตาก็เจอเนน เดินผ่านหน้ากุฏิจึงทักเนนว่าเนเนเนเนี่ยมีคนฟังธรรมมากแต่สังเกตหรือเปล่าว่าไม่มีใครดูแลเนเนเลยเมื่อจะเป็นเรื่องลาบสักการะหรือถวายสิ่งของต่างๆผิดกับข้าที่มีโยมเนี่ยถวายสิ่งของให้อยู่เป็นประจำอยากได้อะไรโยมก็นํามาให้อย่างเมื่อคู่เนี่ยก็มีคนมาเอาเอาพัดลมมาให้เอาขวานมาให้เนมีหรือเปล่า เนนก็เอ่ยตอบว่าหลวงตารู้เปล่าที่เขานําพัดลมก็นําขวานมาเนี่ยมันเป็นปิศนาธรรมสอนธรรมะหลวงตานะหลวงตาก็เอ่ยก็ตอบว่าเป็นไป ไ, ไม่ได้กูไม่เชื่อเนนเนก็เอ่ยตอ่อขวานเนี่ยเอาไว้สําหรับฟันหรือถางอะไรต่างๆแต่สังเกตว่มันถางตัวเองมันเองไม่ได้ยังหลวงตาเนี่ยสอนธรรมะโยมให้เลิกอวัยมุขต่างๆแต่หลวงตาก็ยังติดบุหรี สิทธิ์ละะกักละก็เหมือนกว่าเนี่ยแหละฟันไปทั้งฟันได้แต่ถางตัวเองไม่ได้หลวงตาก็บโหมขึ้นโหที่เนรมาสั่งสอนไอ้เด็กเวรบังอาจมาสั่งสอนกลัวเนรก็เอ่ยต่อตอนที่หลวงตาโกดเหรอเออสิวะโกดหูเหอแดงหมดเลยกดเป็นร้อนหรือเย็นล่นละร้อนสิวะถามได้หลวงตารู้เปล่าพัดลมเนี่ยมเป่าให้คนเนี่ยเย็น แต่ก้นมันน่ะรอ้อนจี๋เลยก็เบิดหลวงตาแหละขณะที่โกรธสอนตัวเองไม่ได้สอนคนอื่นได้ให้เย็นได้ไปยังร้อนอยู่เลยผู้จบเองก็เปิดแดบไปเลยทิ้งหลวงตาโกรธเครียดอยู่คนเดียวอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์บางครั้งสอนคนอื่นแล้วเราทำไม่ได้เหมือนที่เราพูดเนี่ยจะเหมือนหลวงตาเรื่องต่อมามีวัดล้างแห่งหนึ่งในอดีตเนี่ย เคยเจริญลุกเรืองมาก่อนเจ้า ว, วาดเป็นนักเทศชื่อดังมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแต่ตอนนี้ได้ละสังขารไปนานแล้ววัดที่เคยลุกเรืองก็ค่อยๆเสื่อมโซมลงไปเพราะลูกศิษย์ลูกหาบรารมีบรารมีสู้อาจารย์ไม่ได้ไม่มีใครสืบทอดต่อแถมพระในวัดก็มีปัญหากันจนในที่สุดก็แยกย้ายกันอยู่วัดก็เลยล้างแต่บังเอิญเนี่ยก็มีพระสามรูปผ่านมาที่วัดล้าง แล้วก็ลงไปชมดูโดยโดยบังเอิญนะไม่ได้ตั้งใจพราะสามรูปนี้แค่ผ่านมาเฉยๆหนึ่งในสามก็เอย่ยคิดว่าอะไรหนอเป็นสาเหตุทําให้วัดล้างพระรูปแรกก็เอย่ยคิดว่าคงเป็นพระเนี่ยไม่ศรัทธามั้งจึงไม่สวดมนต์ขอพรจากเทวดาทําให้วัดไม่ศักดิ์สิทธิ์เทวดาลงโทษทําให้วัดล้างพระรูปที่สองก็เอย่ยคิดว่าคงเป็นพระเนี่ยวัดขี้เกียจบ้าง ไม่ช่วยกันดูแลบารุงทําให้สิ่งของไม่สมบูรณ์น่าจะเป็นสาเหตุทําให้วัดล้างหรือวัดไม่พัฒนาไงคนที่สามก็ตอบว่าคงเป็นพาะในวันเนี่ยไม่สํารวมไม่ศึกษาขวนขวาย ห, หาความรู้จึงทําให้วัดเสื่อมและล้างทั้งสมคนต่างมีความเห็นคนละทางแต่แล้วก็ตกตัดสินใจจะอยู่ที่วัดร้างด้วยแหละเพื่อพัฒนาวัดล้างให้เจริญุ่ในครั้ง พ้ารูปแรกเป็นผ้าที่ชอบสวดมนต์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตัดสินใจลงมือทาหน้าที่เลยโดยสวดมนต์ยาวเหยียดเลยขอให้เทวดาฟ้ า, ฟาดินช่วยนาความเจริญมาสู่วัดนี้ส่วนพระรูปที่สองเป็นพระเป็นพระช่างขยันมีความรู้ด้านช่างก็เลยเริ่มปรับปรุงวัดโดยซ่อมห้องน้ำสิ่งไหนขาดก็หามาเติมน้ำไหลไฟสว่าง ทาสีวัดใหม่ทำให้วัดเนี่ยดูดีขึ้นดูสวยงามใครเห็นก็ชอบเข้ามาเยี่ยมชมพระรูปที่สาเป็นพระนักเทศพูดเก่งสามารถพูดธรรมะน้มน้าวให้โยมเนี่ยทำบุญแล้วก็ฟังธรรมถือศีลวันอุโบสถทั้งสาเมื่อทำาเต็มที่เลยจากวัดล้างที่เสื่อมก็ค่อยเจริญขึ้นมา จนมีญาติโยมเนี่ยหลังไหลามาทุกสารทิศมีพระมีแม่ชีมากขึ้นการเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็คงนานพอสมควรก็มีเสียงเอยคิดว่าเพราะฉันตาหาที่ทําให้วัดเจริญรุ่งเรืองเพราะฉันต่าหาที่ทำให้วัดเป็นอย่างนี้เพราะฉันตาหากทาให้คนมามากมายคือพระสามรูปเนี่ยตอนนี้ก็ อ้างความดีความชอบของตัวเองที่ทำเนี่ยเป็นเหตุให้วัดลุกเลยครั้งหนึ่งแล้วก็เถียงกันประจำทะเลาะ ก, กันประจำญาติโยมเห็นพฤติกรรมของพระสามรูปนี้ก็เริ่มเอือมละอาจากตอนแรกที่โยมเข้าวัดเยอะเยอะโยมก็ไม่ให้เข้าวัดละเริ่มเริ่มถอยห่างไปตอนหลังวัดก็เลกลับมาเสื่อมเหมือนเดิมและแล้วก่อนที่พระสามรูปนี้จะแยกย้ายจากกันไป รู้สาเหตุแล้วว่าอะไรเป็นสาเหตุทําให้วัดล้างเพราะความอิจฉาทิษยากันแล้วก็ขาดความสามัคคีนั่นเองจึงทําให้วัดล้างและเสื่อมความอิจฉาเนี่ยมีโทษมากอย่างในนิทานของกีตมีเรื่องหนึ่งมีชายสองคนเป็นเพื่อนกันเพื่อนบ้านกันแหละชายคนแรกเป็นคนโลภมากเห็นอะไรก็อยากได้ชายคนที่สองเนี่ยเป็นคนขี้ฉาไม่อยากเห็นใครได้ดีแล้ววันหนึ่งทั้งสองคนเนี่ย ก็ไปขอขอพรจากเทพเจ้าจูปิเตอร์ซึ่งเป็นเป็นราชาของเทพของกีสสมัยนั้นเทพเจ้าก็รู้นิสัยของชายสองคนนี้ก็เลยคิดจะสั่งสอนจึงเอ่ยคิดว่าเราจะให้พรเจ้าคนละข้อแต่มีเงื่อนไขคนที่ข อ, ค น, ขอคนที่สองเนี่ยจะได้มากกว่าสองเท่าของคนแรกที่ขอทั้งสองก็ดูเชิงกันไม่มีใครอยากขอก่อนไง เพราะคนที่คนได้คนที่สองจะได้มากกว่าแต่แล้วคนที่โลภก็ทนไม่ไหวจึงเอ่ยขอว่าขอพอรจากเทพเจ้าให้มีพิรดินจินดาเงินทองเต็มฟ้องเทพเจ้าก็ให้พรตามที่ปรารถนาก็ทําให้ชายคนนี้ร่ํารวยมีสมบัติมากมายแต่แล้วชายที่โลภก็นึกขึ้นมาได้ว่าคนที่ฉาเนี่ย จะรวยกับตนเพราะว่าจะได้สองเท่าเบิลเลยตอนนี้ก็รู้สึกเสียใจนะที่ขอก่อนส่วนตอนนี้ชายคนขี้ฉาขอบ้างตอนนี้รวยกว่าชายคนแรกแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะอเพื่อนบ้านเรานี่ก็รวยเหมือนกันแล้วก็คงจะเสบสุขกับทรัพย์สมบัติอยา่างนั้นเลยแก้งมันดีกว่าก็เลยขอให้ตัวเองเนี่ยตาบอดดึงข้างไอ้คนโลค ก, ก็รวยเลยแล้วตาบอดสองข้างเรื่องนี้ก็จบ อันนี้คือโทษของความอิจฉาคือไม่อยากใครได้ดีไงอย่างถ้าเราดูฟุตบอลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่านักฟุตบอลก็อิจฉากันเหมือนกันบางครั้งถ้าเปซุปเปอร์สตาร์อยู่ทีไม่เยอะเนี่ยจะเกี่ยงกันสร้างผลงานบางครั้งไม่ยอมส่งบอลให้อีฝ่ายนึงยิงทั้งที่ตัวเองก็ไม่ยิงมุมยิงยิงก็เลยไม่เข้าบางทีก็แย่งกันยิงลูกโทษก็มีซุปเปอร์สตาร์ถ้าดังๆหลายคนไปอยู่โรงกันนะ บางทีเล่นไม่เป็นไม่เป็นทีมเวิร์กไงไม่สามัคคีบางทีแพ้ทีมที่เล็กๆไม่ดังก็มีเพราะทีมเล็กเนี่ยเขาไมีซุปเปอร์สตาร์แต่เขาวิ่งกันทั้งทีมเลยบอลอยู่ไหนคนอยู่นั่นบางทีก็ทําให้พลิกล็อกชนะทีมใหญ่ได้ถ้าทีมใหญ่แตกความสามัคคีอันนี้เป็นเรื่องกีฬานะกีฬาเนี่ยถ้าถ้าสามัคคีเนี่ยยิ่งถ้าทีมไหนมีนักฟุตบอลระดับโลกอยู่ทีม้ากๆเนี่ยเราเล่นเป็นทีมเวิร์กแล้วไม่แย่งผลงานกันเนี่ยใคร ใครขึ้นมาก็ผ่านบอลให้เป็นแอซิสให้อ e ีกฝ่าย่างยิงเนี่ยก็ได้ผลงานทั้งคู่เลยแล้วทีมก็ได้ได้ประโยชน์ด้วยทําให้ทีมชนะอันนี้คือประโยชน์ของการไม่ฉาการร่วมแรงร่วมใจกันและยกความดีให้เพื่อนแม้แต่การสวดมนวกเหมือนกันสวดมนเนี่ยถ้าเกิดสวดมนเป็นทีมเนี่ยจะเกิดความไพเราะฟังแล้วเกิดผู้ฟังเนี่ยเกิดความเรื่องสาธาต่างกับต่างคนต่างสวด ซึ่ฟังแล้วไม่เป็นทีมฟังแล้วก็ไม่น่าศรัทธาอแป๊กคนหนึงไปรูปงานของเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเน่ยผู้ใหญ่บ้านชื่อโกเนี่ยอะแป๊กขายฝังพลาสส่วนม น, นี่แกขนลุกเลยนะเพราะแต่ให้พรเนี่ยอายุวัฒน์ทาโกธนวัฒน์ทาโกศรีวัฒน์ทาโกยาสวทาททากโกโอ้โหแกขนลุกเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาให้พรแบบนี้เหรอให้พรเอยชื่อเจ้าภาพแต่แป๊กเนี่ยตื้นตันใจมากเลย ฉันเลิกงานเนี่ยก็ให้ผู้ใหญ่โกรนเนี่ยนิมนต์พระชุดนี้มาสวดบนที่บ้านและต้องชุดนี้เท่านั้นชุดอื่นไม่ยอมนะแล้แล้ววันที่รอคอยก็มาถึงแปะดีใจมากหน้าตายิ้งเงี้ยจัใสต้อนรับแขกริรีห่อตลอดแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยหลังจากพระฉันเสร็จพระก็ให้พร อ, อายววุวัทนะโกธนวัฒโกศรีวัฒโกยสวัโกแปะนี่สีหน้าสลดเลย เครียดเลยวิธทําไมพระจําผิดหรือเปล่าเลยไม่ให้ไม่ให้พรไม่เอ่ยชื่อตัวเองแกเลยร้องตะโกนว่าพระพระหัาชื่อแปะนะไม่ชื่อโกหรือจําชื่อผิดหรือเปล่าพระที่สวดมนต์อยู่ก็รู้ว่าตะแป๊ะคิดอะไรจึงบอกหัวหน้าส่วนอล้ให้เปลี่ยนบทจึงให้พรใหม่อายุวัฒน์ท่แปะธนวัฒน์ท่แปะศรีวัฒน์แปะยาสวาทท่แปะ โอตอนนี้อาแปะมีความสุขขึ้นมาทีเลยดีใจดีใจที่ว่าพระให้พรเลยอีกที่ตัวเองอนนี้เป็นว่าเข้าใจผิดนะอาตมานำมาเล่าให้โยมฟังคขำๆเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยธรรมะเป็นเรื่องเครียดถ้าคนพูดไม่เป็นเรื่อเครียดนะครึ่งชั่วโมงนานเมื่อไหร่จะจบแล้วทีแต่ถ้าคนพูดเป็นเนี่ยครึ่งชั่วโมงนี้ปักเดียวเวลาเดินอาตมาจาึงเรื่องพูดเบาๆให้โยมฟังสบายสบายดีกว่าเพราะช่วงนี้เรื่องเครียดเยอะไม่ใช่เป็นเรื่องโควิดน้ําท่วม เศรษฐกิจฝื้นเครื่องนั้นเราจะนําเรื่องเบาๆมาเล่าก็ขอโยมอย่าให้คว า, า, ามิชฉานิษยาคบกำใจก็แล้วกันแบ่งบารมีให้กันแล้วกันเพราะความดีของเราความสามารถมักจะอยู่กับเพื่อนไม่ได้อยู่กับเราเรามักจะมีสิ่งที่ขาดส่วนที่ขาดมักจะอยู่กับเพื่อนถ้าเราสามัคคีเติมเต็มให้กันเนี่ยถ้าเราอยู่วัดวัดก็จะเลิญอยู่บ้านบ้านก็จะเลินอยู่ที่ไหนถ้าเป็นทํางานบริษัทบริษัทก็จะลุ่งเรืองก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริญทำยิ่งขึ้นไปเอวัง